ส่วนสมาธินะลองไปเจริญกรรมฐานดูง่ายหรือยากนะนะถ้ามันดิ่งไปทางมิจฉาสมาธิอะนะเช่นมันปกติอะมิจฉาสมาธิก็คือพวกฟุ้งซ่านทั้งหลายเป็นต้นนี่ก็มิจฉาสมาธิแล้วละ่ะนะสมาธิที่เกิดร่วมกับอกุศลให้มาเจริญกุศลเนี่ยเช่นตั้งนะเริ่มกําหนดอาณาปานาสติเนี่ยพวกนี้ก็ก็ยากอันท่านใช้คําว่ามิจฉัตะนี่มันแปลว่าเป็นความผิดหรือความดิ่งที่ที่แก้ยากนีนะ แต่ว่าในฝ่ายตรงกันข้ามก็คือสัมมตัตะใช่ไหมถ้าสัมมตัตะก็คือโสดาปฏิมักนะขณะโสดาปฏิมักเรียกว่าสัมมตัตะเนี่ยนะที่ที่มันตรงกันข้ามนะพวกที่สัมมตัตะเนี่ยความชอบที่ที่ถูกต้องเลยเนี่ยก็แก้ไม่ได้เหมือนกันถ้าโสดาบันเนี่ยนะแก้ยังแก้ไม่ได้เลยเช่นเขามีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้อุบาสกคนหนึ่งฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จจากไป พญามารก็แปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้ามาก็บอกว่าที่เมื่อกี้ที่เราตถาคตพูดไปเนี่ยมันผิดนะแก้ใหม่นะอย่างเงี้ยเช่นว่าสังขัญพระองค์ตรัสว่าไม่เที่ยงไงพญามารบอกมันมีนะไอ้ที่เที่ยงมั่งอ่ะนะลักษณะเนี่ยนะอุบาสกในรู้ว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าะชี้หน้าว่าได้เลยนะว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าขนาดแปลงร่างมาเหมือนกันหมดนะยังยังชี้หน้าบอกว่าท่านไม่ใช่อ่ะนะ สัมมาตาเนี้มันก็ดิ่งขนาดนั้นน่ะท่านท่านอุปมาว่าเสาเขื่อนที่ปักลงเนี่ยนะเสาเขื่อนยาวสิหกศอกนลยนะฝังลงดินแปดศอกไอเสาเขื่อนไม่ใช่ว่าเสาไม้เท่านิ้วก้อยนะคือไม้สูงอันหนึ่งอ่ะยาวสิบหกศอกฝังลึกลงไปเนี่ยแปดศอกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลมที่มาจากทีท่ทั้งสี่นี้ก็พัดให้กระเทือนไม่ได้แม้ฉันใดพระโสดาบันจะไม่หวั่นไหวในที่ที่ทั้งมวลอย่างนั้นทัทนทะี่หกสิบสองนั้นเสนอเข้าไปเถอะ ไม่มีทางแก้พระโสดาบันได้ดิ่งขนาดนั้นเหมือนกันแต่มิจฉ่าทิถีนะสมัยพุทธกาลนะก็ดิ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยแกก็ไม่ได้ละเลิกอะไรมิจฉาทิถิสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาถือว่าทํายังไงนะจะทําลายพระสมณะโคดมได้เอาเรื่องผู้หญิงเข้ามานะเรื่องนางสุนทรีเข้ามาเรื่องอื่นๆเข้ามาแล้วก็ตอนที่ผู้าศาสนารุ่งเรืองเต็มที่เลยก็คือวางแผนฆ่าพระโมคคัละนะ ถ้าพระโมคคัลลานะตายนะตัดกำลังไปเยอะเลยก็คือที่มาจ้างคนให้ไปฆ่าพระโมคคัลลานะเนี่ยนะก็คือวางแผนคิดทำลายอยู่ตลอดเวลามันถ้าใครฟังข่าวว่าโอ้เขาไม่ได้วังดีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยนะให้รู้เธอว่าเรื่องนี้มีมานานแล้วเนี่ยนะนะมิจฉาทิฐิจะไม่เห็นด้วยกับสัมมาทิฏฐิอันนี้ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนะนะแล้วพระพุทธเจ้าไปแก้มิจฉาทิฐิเหล่านั้นได้ยังไง ไม่ได้อย่างครูทั้งหกนี่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่อยู่วัดใกล้ๆกันนะไม่มีใครเคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าผู้ที่ปฏิญาณว่าตัวเองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ที่ไม่จริงอ่ะนะยังไงก็จะไม่มีโอกาสเห็นหน้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่ละทิฏฐิอันนั้นแกก็ละทิฏฐิเหล่านั้นไม่ได้ถือว่าแกก็เป็นพระพุทธเจ้าอะ่ะเห็นไนะ ท่านก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่กัจจานะพิสูไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนที่ไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะปฏิญาณตัวเองว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิ่งแบบนั้นแหะแล้วก็พวกลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยไปนับถือบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอะไรพระองค์ก็บอกว่าธาตุนี้ใหญ่นักแลกัจจานะเนี่ยนะธาตุคืออะไรอวิชชาธาตุนี่ใหญ่นักแล นะอวิชชาธาตุเนี่ยนะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธคา ม, มินีปฏิปทาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ใหญ่นักแลยิ่งใหญ่จริงๆริเนี่ยนะเพื่อจะแก้ให้มาเห็นอริยสัจนี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะก็เราฟังเรื่องอริยสัจกันมาเนี่ยชินมากคำเนี่ยนะจะเป็นคําที่ได้ยินบ่อยนะถามว่าเราแทงตลอดหรือยังเออนี่มันใช่เลยเนี่ยนะอีทงังทุกครั้งอริยสัจจังเนะี่ยใช่เลย เนี่ยทุกขสมุทยัยอย่างนี้แหละนี่ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทามั่นใจและเปลี่ยนแปลงไม่ได้และแน่นอนน่ะนะเคยมีความคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่ า, างนั้นแต่ความคิดแบบนี้ยังไม่ทันมีเลยนะไม่จํากล่าวถึงบรรลุใช่ไหมพะนธ์อวิชชาเนี่ยธาตุใหญ่เนี่ยธาตุนี่ใหญ่จริงๆอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงเกิดมิจฉาทิฐิเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยเป็นฐานะแห่งมิจฉาทิฏฐิพัน้ามิจฉาทิฐิเกิดขึ้นนะ มันจะหยาบแม้กระทั่งว่าทานเนี่ยให้ไม่มีผลเนี่ยนะดิ่งขนาดนั้นนะรักษาศีลก็ไม่มีผลทานนี่คนโง่บัญญัติคนฉลาดเป็นคนรับว่างงั้นเลยนะคนโง่นี่บัญญัติใช่ไหมไปคิดอะไรก่อนไม่รู้คิดแล้วเสียเงินเสียทองอ่ะนะคิดแล้วเสียข้าวของวัตถุนเนี่ยนี่คนโง่คิดนในการให้ทานเอพวกนั้นฉลาดไว้พกก็รับอย่างเดียวเลยนะก็รับอย่างเดียวนั้นปฏิเสธทานให้ผลปฏิเสธศีล ปฏิเสธบุญทุกอย่างปฏิเสธโลกนี้ปฏิเสธโลกหน้าปฏิเสธโลกนี้แปลว่าบุกรรมที่ทําไว้ในะอดีตที่เป็นปัจจัยแก่โลกนี้ไม่มีคําว่าปฏิเสธโลกเนี้ยอ่ะนะโลกนี้ไม่มีหมายถึงว่ากรรมที่ทําไว้ในโลกที่แล้วมาให้ผลในโลกเนี้ยไม่มีหรอกปฏิเสธโลกหน้าคือปฏิเสธว่ากรรมที่ทําในโลกนี้มันไม่ได้มีผลต่อโลกหน้านีนะปฏิเสธโอปปาติกะสรุปว่าอปปาติกะก็คือนรก เป็นต้นเนี่ยนะปฏิเสธนรกปฏิเสธสวรรค์ปฏิเสธพรมหมดเนี่ยนะแล้วก็ปฏิเสธแม้กระทั่งว่าไม่มีใครหรอกที่จะรู้จริงแบบพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยนะสัพพันญูในโลกไม่มีปฏิเสธแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอันนะอย่าว่าสมัยโบราณเลยสมัยนี้ก็ยังมีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปไปไปลูกโยมทายกวัดอะ่ะทายกก็มีศรัทธาใช่แต่ลูกทายกมันตรงกันข้ามกับพ่อหมดเลยอันนะ พ่อไปซ้ายมันไปขวาอย่างไงี้ยไงคนละเรื่องเลยอะ่ะก็บอกหลวงพี่เชือ่อหรือว่าพระพุทธเจ้ามีจริงโอ้ยเขาเขียนมาหลอกๆหร อ, อกเขาหลวงพี่าา น, นี่ยเาวางกันเลยแต่เขาเข า, ขามีคนดิ่งขนาดนี้ไม่จริงไม่จริงเขียนหลอกกันขึ้นมาเฉยๆหวังกันเนี่ยนก็ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นคําที่แต่งกันขึ้นว่าว่าบุคคลอย่างนี้มีในโลกจริงๆแล้วบุคคลอย่างนี้ไม่มีในโลกปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ถามว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจะติดตามด้วยอะไรรู้ไหม จะรักษาศีลดีไหมท่าถ้าว่าโดยรวมๆนะความประพฤติทางกายจะดีไหมความประพฤติทางวาจาจะดีไหมท่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะว่าโดยในโลกนี้ถ้าใครเป็นมิจฉาทิฏฐินะคนนั้นจะความวาจาก็ชั่วกายก็ชั่วไม่ต้องกล่าวถึงความคิดที่เขาคิดอยู่ว่าเขาคิดอะไรเพราะพวกนี้จะไม่ละอายชั่วกลัวต่อบาปเพราะมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมอหิริกะอนุตตะปะไม่มีเลยเยอหิริกะคือไม่ละอายบาปไหยคือมาก ขออภัยนะมากไปด้วยอาหิริกะมากไปด้วยอะโนต ป, ปะคือมากไปด้วยความคิดผิดความดําริผิดไม่ได้ละอายต่อบาปไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปเลยเพราะฉะนั้นไอ้สังกับปะของเขาก็เป็นกามะสังกับปะเจ้านี่มีหลายคนยนะอันนี้ข้อแรกก่อนนะกามะสังกับปะก่อนนะนนก็ชัดนะแล้วก็มันบาปอย่างอื่นนี่ก็ตามอีกบาปเลยนะงั้นถ้ามิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวเนี่ยนะแก้ยากมาก ถึงขนาดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่แก่เขาเลยถ้าเขาไม่ละทิฏฐิแล้วทิฏฐินี่ไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายถ้าที่ไหนละ่ะ น, นะไม่มีอะไรที่จะดำหรือจะดิ่งจะลึกเท่ากับทิฏฐิไม่มีบอกอนันตริยกรรมกับมิจฉาทิฏฐิอันไหนหนักกว่ากันมิจฉาทิฏฐิหนักกว่าอนันตริยกรรมพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะฆ่าพ่อตกนรกเนี่ย แต่ก็พอพ้นมาจากนรกแกก็จะเกิดเป็นพระประเจกไนงะจะบรรลุเป็นพระประเจกแต่พวกครูทั้ง6ที่ไม่ได้ดไปฆ่าอนันตริยกรรมอะไรสักอย่างไงไงพวกนั้นเน่ยเฝ้าวตาอีกยาวเนี่ยนเะนี่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยหนักกว่าอนันตริยกรรมเพราะในในจุตูปปาตายา น, นะที่กล่าวว่า เ, าเห็นมูสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เนี่ยประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติ มโนทุจริตติเตียนพระอาริยเจ้าอ่นะติเตียนพระอาริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานกรรมด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแตกตายกายแตกไปเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกอ่นะที่แสดงมาเน้นพิเศษอีกคือการว่าร้ายผ้าอริยะกับมิจฉาทิฏฐิไอสองประการเนี่ยมีโทษมากแต่การว่าร้ายผ้าอริยเจ้าขอขมายังไม่นําเกิดอ่านะคำว่าไม่นําเกิด ส่วนถ้ามิจฉาทิฐิเนี่ยนะแก้ไม่ได้ก็บอกว่าถ้าชาวนะมันดิ่งซ้ำเจ็ดครั้งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้ายังเทศให้เลิกไม่ได้เลยนะไม่จาต้องกล่าวเอาเอาคนอื่นไปแก้แค่แค่แบบมิจฉาทิถฐิไม่ได้เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิเอาแบบฉดินสามพี่น้องเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีทางแก้ได้ โอสมณะนี้มีริษม่าแต่ไม่เป็นพผ้ารหันเหมือนเราอย่งเงคือจะแง่ไหนขึ้นมาก็ทั้งเถอแต่ไม่เป็นพผ้ารหันเหมือนเราอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ได้เป็นพผ้ารหารันแต่สําคัญตัวเองว่าเป็นพผ้ารหารันเนี่ยมันพุงหมดสิทธิ์เลยะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแก้ก็แก้ไม่ได้ใครเคยทําบุญและสมาทานภาษาทุบุญที่ได้ทําไปเนี่ยจงเป็นปจัจจัยอย่าได้เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวงเลยเนี่ยนะ น่าทำบุญและน่าจะตั้งสมาทานไว้นะทำบุญและตั้งความปรารถนาเพราะว่ า, ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งบาปอย่างอื่นเนี่ยนะเช่นสังกัปะนี่ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะวาจาก็เป็นมิจฉาวาจากัมมันตะนะทางกายก็เป็นมิจฉากัมมันตะเนี่ยนะเพราะถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเนี่ยมันน่ากลัวที่สุด น, นะบางท่านทําบุญเนี่ยเขาบอกว่าเขาอย่าได้เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิเลยจะว่าโดยประการใดๆเนี่ยนะ ให้บูชาคนที่ควรบูชาให้เคารพคนที่ควรเคารพให้ได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยกูสลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่าตั้งมากสมัยก่อนนี่ยังสงสัยว่าทำไมพระเถระทั้งหลายท่านจึงผูกคาถาว่าภาวะตัวศัพท์พมังคลังรักขันตัวศัพทเทวตาเนี่ยนะคือคือเราก็มันเป็นพระเนี่ยพร อ, อันนี้เป็นถือว่าเป็นพรฉันเมื่อไหร่ก็ให้แต่อันนี้แหละ นะรับภาวะตูศ พ, พมังคลังรักท่านตุูัพพเทวตาเนี่ยขอสับ พ, พ้ามงคลจงมีแก่ท่านขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านตัวอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านนะครับภาวะตูศ พ, พมังคลังเนี่ยขอให้สัพผมงคลทั้งหมดมีแก่ท่านเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงนะเราก็มาคิดดูโอ้จริงๆแล้วอับประมงคลในโลกนี้ก็เนื่องจากไม่มีมงคลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอการที่ผู้ใดได้รับมงคลเนี่ยนะถือว่าเป็นความชัยชนะจริงๆ ถ้าใครอับประมงคลเนี่ยพ่ายแพ้หมดเลยอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะแกไปคบกับพระเทวทัพเนี่ยตอนแรกๆใครไม่รู้นึกว่าเป็นมงคลพราะคบพระเทวทัพเสร็จข้าพระเจ้าพิมพิสารตัวเองได้เป็นพระราชาน่าจะเป็นมงคลใช่ไหมในชั้นต้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเนี่ยนะอับประมงคล์ตั้งแต่เริ่มคบพระเทวทัพขึ้นมาตอนแรกก็ได้ยิ่งใหญ่จริง แต่หลังจากนั้นเริ่มทําบาปไปเรื่อยๆพระเทวทัตตายแล้วนะแกจึงพอพระเทวทัตตายเนี่ยแกจึงกลับได้ถ้าพระเทวทัตไม่ตายนีย่ก็ไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่าไม่ทราบพระเทวทัต ถ, ถูกธรณีสูบปัป๊บแกเดือดร้อนเลยว่าแกเนี่ยอาจจะถูกธรณีสูบอย่างนี้เหมือนกันนอนไม่หลับเลยอะ่ะนอนไม่หลับเป็นนานมากะนะเครียดมากโทรมนัสตลอดเลยอะ่ะ อยู่บนปราสาสต์เนี่ยไม่ได้ร้อนมันร้อนตลอดอะนะก็มีอยู่วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำอ่ะพระจันทร์เต็มดวงอ่ะนะออพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยราตรีแจ่มกระจ่างอย่างเนี้ยควรจะเข้าไปหาสมณะรามไหนดีอย่างนั้นแท้ก็เขาก็เชิญชวนไปหาอาจารย์ต่างๆเลยนะซึ่งก็ไม่มีไม่มีใครชวนไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะจริงๆแล้วในอํามาศทั้งหมดนั้นมีหมอชีวกคนเดียวที่เป็นพุทธบริษัทที่มีอํานาจใหญ่หน่อยนะ ทีนี้ทําไมหมอชีวกไม่ไม่เห็นชวนแบบนี้สักทีอะนะว่าชวนไปหาพระพุทธเจ้าหน่อยนะทำไมไม่บอกชวนนะชีวกสหายว่างไง่ะนะไม่ไม่เสนออะไรบ้างเลยหรือจริงๆอะที่พูดทั้งหมดต้องการให้หมอชีวกเนี่ยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะกลัวมากอะนะเนื่องาแผ่นดินจะสูบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ข้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่ใครก็รู้ว่าคนดีจริงๆอะคือคือไม่มีใครตําหนิพระเจ้าพิมพิสารแม้แต่หน่อยเพราะคนดีจริงๆอะ ก็เราก็ยังฆ่าพ่อผู้ทำมิการาอย่างนี้เลยนะแกก็กลัวมากเลยพอไปฟังสามัญจะผลสูร จ, จบปกติเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะฆ่าพ่อไปเรียบร้อยแล้วเสร็จ แ, แล้วหลังจากนั้นนี่ก็เป็นเป็นปุถุชนที่มีศรัทธา ม, มากที่สุดก็มีใครมั่งฟังว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานและสลบตั้งสามรอบ น, อนนะี้นเคยได้ยินห บอกพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเจ้าข่าสลบเลยท่านว่าอะไรนะฟ <c oughs> ังใหม่สลบอยู่สามรอบอ่ะคิดดูคือคื อ, คอท่านมีเป็ น, เ ป, นเป็นปุถุชนที่มีศรัทธาที่สุดแต่ว่าด้วยด้วยอำนาจของการครบมิตรชั่วเนี่ยนะเป็นปัจจัยท่านทำบาปอย่างมากเพราะงงคนเนี่ย เ, เริ่มตั้งแต่การครบคนในชั้นแรกนะจะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็มาจากการครบคน มีอยู่ครั้งหนึ่งพานนท่านบอกว่าเอกลายา น, นมิตรนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะพระเจ้าพ่านนะนะพูดในในฐานะสาวกเลยน ะ, อะโอ้โหตั้งครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะพระองค์ก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอ น, นกลยา น, นมิตรนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะไรเพราะว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดามานับถือพระพุทธเจ้าถ้านับถือพระพุทธเจ้าก็ทําให้พ้นจากชาติ นับถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยนะก็ทำให้พ้นจากชาติเพราะฉะนั้นกาลยานามิตรจึงเป็นทั้งหมดแห่งพรหมจันทร์คนที่บอกว่าพระกราลยานามิตรเป็นเครื่องหนึ่งของพรหมจันทร์เป็นต้นน่าจะเป็นพระปัจเจกพูดแต่ว่าพระปัจเจกก็ไม่ได้มากล่าวแบบนั้นใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเป็นภาษาริบุตทภาษาริบุตรบอกว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์ผู้ที่ค้นหา ข้อปฏิบัติเองเนี่ยนะสมัยพุทธกาลที่มีอุปนิสัยมรรคผลเนี่ยแทบไม่มีเลยสแสวงหาอาจารย์กันทั้งนั้นสมัยพุทธกาลนะภาษาริบุตรนี่ก็สแสวงหาอาจารย์ปริพาชกทั้งหลายเนี่ยก็ติดตามสแสวงหาอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะเพราะว่าไม่ใช่ฐานะที่บุคคลทั่วๆไปเนี่ยจะจะค้นหาการแทงตลอดอริยสัจธรรมได้นันก็แต่ว่าโดยรวมก็คือสแสวงหาพราะพุทธเจ้านั่นเอง ก็เมื่อไม่พบก็ติดตามสแสวงหาไปอย่างนั้นนหละแต่การที่จะได้ครบพระพุทธเจ้าก็น้อยนะก็ได้ไปคบกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าไม่ได้คบคนที่เป็นบัณฑิตก็คือการไปคบคนพาลสิ่งที่ติดตามมาคืออะไรถ้าคบคนพาลเนยนะก็คนพาลก็จะชักชวนกันในกายะทุจริตอย่างหนึ่งชักชวนกันใน วจีทุจริตซักชวนกันในมโนทุจริต เ, เครื่องวัดง่ายๆว่าเราครบพานหรือไม่พานเนี่ยนะสังเกตจากทุจริตกับสุจริตถ้าคบบุคคลใดแล้วเป็นปัจจัยให้ทุจริตกรรมเกิดขึ้นให้รู้เถอว่านั่นคือพานเนี่ยนะปกตินะถ้าบาปนะั้นนั้นเรายังไม่ทําได้ทำนะไปเกี่ยวข้องกับคนนี้ได้ทําบาปอันนี้ขึ้นให้รู้เถอว่านั่นเป็นพานเนี่ยนะเพราะพานเนี่ยมีเครื่องวัดคือประกอบด้วยกายทุจริต วิจีทุจริญมโนทุจริตนั่นแหละเป็นลักษณะของ่านทั้งหลายถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทนั้นเนี่ยานะบาปอย่างอื่นก็ติดตามมาอีกบานแล้วก็ตั้งสมาทานเลยนะตอนนี้ถ้าจะเจริญเมตตาก็เนี่ยเจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มีมงคลแบบให้พรโยมและตอนนี้นะตอนนี้หันมาเจริญเมตตาให้ตัวเองแบบนี้ลนะ ขอให้ข้าพเจ้าได้มงคลทั้งสาสิบปดนะข้อแรกข้าพเจ้าจะได้คบคนพานเนี่ยนะอันนี้เอาไว้เจริญเมตตาให้กับตัวเองก็ดีเนี่ยนะเพราะว่าถ้าการครบกับคนพานเนี่ยนะบาปที่ยังไม่เกิดก็ก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งบาปหลายอย่างที่เราทำนะสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยที่ที่ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้เถอะว่านั่นเป็นผลพวงจากการครบคนพานเป็นผลที่ได้คบคนพานไว้ใน ก่อนหน้านั้นมาเนี่ยนะสมมติว่าอยู่ๆแล้วคิดทําปาณาติบาตขึ้นการทําปาณาติบาตในครั้งนี้ให้รู้ว่าเกิดจากการซ่องเสพคนพาลก่อนหน้านั้นมาเช่นไอการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เป็นต้นเนี่ยก็ชื่อว่าซ่องเสพนะโดยที่สุดแม้อย่างนั้นนะการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนพาลชื่อว่าซ่องเสพกับคนพาลเพราะถ้าเกิดเห็นด้วยเมื่อไหรก่ก็มันพร้อมที่จะเห็นด้วยอยู่แล้วใช่ไหมเออมันอนะสมมติว่าเขาฆ่าโจร น, นะ มันพร้อมที่จะเห็นด้วยอยู่เหมือนกันเลยถ้าเห็นด้วยอันนั้นอ่ะสะสมอัธยาศัยปานาติบาตไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะตรงนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใดใดเหตุการณไอการที่ยินดีแบบนั้นอ่ะเป็นปัจจัยให้ตอนหลังเราทําปาณาตีบาตแบบสบายๆเลยนะอันนั้นอ่ะเป็นอุปนิสัยให้เพราะนั้นปานาติบาตเป็นอุปนิสัยแก่ปานาติบาตได้อัทินนาทานเป็นอุปนิสัยแก่อัทินนาทานได้นะในในปากปตูปนิสยปาปัจจัยอ่ะในในปัญหาวาระนี่กล่าวไว้อย่างนั้นเลย นันอากุศลกรร ม, มบุเป็นปัจจัยแก่อกุศลกรร ม, มบทได้เรียกว่าอากุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลนั้นทิฐิเหล่านี้มันเป็นมันเป็นธรรมะก็จริงเป็นอากุศลแต่ว่าเกิดกับบุคคลใดก็ทําให้บุคคลนั้นเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยนะผลพวงของมิจฉาทิฐิที่เห็นในง่ายๆก็คือมิจสังเกตจากมิจฉาสังกปะนะวันๆหนึ่งเรามิจฉาสังกปะมากไหม มิจฉาสังกปะใดเกิดขึ้นให้รู้ว่านั่นเป็นผลของอย่างน้อยอ่ะมิจฉาทิฐิแน่นอนเป็นเป็นมิจฉาทิฐินั้น่ะเป็นอุปนิสัยสังเกตนะถ้าการมวิตกเกิดขึ้นอ่ะอันนั้นเนี่ยมีมิจฉาทิฐิเป็นอุปนิสัยมาขณะนั้นอาจจะไม่มีมิจฉาทิฐิแต่มิจฉาทิฐิเป็นอุปนิสัยให้ถ้าเกิด พยาบาทสังกปะเกิดขึ้นหรือวิหิงสาสังกปะเกิดขึ้นนะถ้าไล่ดีๆแล้วจะเห็นว่าจากมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยคือเราสมมติว่าถ้ามิจฉาทิฏฐินะเขาบอกว่าการบริโภคกรารมไม่มีโทษคือคือสําคัญว่าไม่มีโทษอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะการฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่มีโทษอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นหลังจากที่อกุศลวิตตกเกิดขึ้นมันเกิดจากมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเป็น ปัจจัยแต่ว่าคําว่าปัใจจัยในที่นี้ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องขนาดใกล้ๆกันนะเมื่อยี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยด้วยสําหรับบางท่านเนี่ยชาติก่อนนู่นนะ่ะเป็นปัใจจัยให้อย่างเรื่องในชาดกนะอดีตชาติก็เป็นมิจฉาทิฐิมาชาติหลังก็เป็นมิจฉาทิฐิอีกเช่อนอาเจลกเนี่ยอาเจละกะในใน ชาดกเรื่องพรมนารถกัสปะชาดกนะแกก็เป็นมิจฉาทิฐิมาชาติหลังอีกแกก็เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะสุนัขตาลิชวีเนี่ยเคยเป็นมิจฉาทิฐิในอดีตชาตินะมาชาติหลังก็ยังเป็นเป็นตัดใจให้เป็นมิจฉาทิฐิอีกเนี่ยนะครับมิจฉาทิฐินี้ที่ที่เป็นปัจัยสาคัญต่อมิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะคือการมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก วิตกสามประการเนี่ยไล่ดูเถอะทุกวิตกเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย น, น, นะค่อยทบทวนดูจะรู้เลยอ้าวมาจากตรงนั้นนี่ น, นะพอเราไปเห็นด้วยในเรื่องนั้นเราจึงมีอกุศลวิตกในเรื่องนี้เรานึกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะนะอันนี้เป็นปัจจัยไอการนึกว่ามันไม่เป็นไรนั่นแหละคือมิจฉาทิฏฐิย่างนะสมมุติเช่นว่าเอ๊ะการทาปานาติบาศเนี่ยไม่เป็นไรสมมติเราเห็นเขาฆ่าสัตว์อย่างเงี้ย น, นะเราก็บอกไม่เป็นไร อันนั้นเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งของเราแล้ว ถ, ถือว่าเพราะว่าอันนั้นมีโทษแต่เราสําคัญว่ามันไม่มีโทษเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็สัมมาทิฏฐิ ก, ก, ก็เป็นอุปเที่ยงปัจจัยต่อไปของเราถ้าสมมุติว่าเราตอนนี้ถ้ า, มมาตอนนี้เป็นสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเป็นต้น น, นะขณะนี้ก็รู้ว่าเป็นผลของสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยทีนี้สัมมาทิฏฐิเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกปะครั้งต่อไปอีกเนี่ยนะ อจะจะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกปะด้วยจะเป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจาด้วยก็ก็อยู่ที่หัวเรือใหญ่เนี่ยนะว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินําหน้าอค่อยค่คอยมีกําลังใจนะถ้าถ้าสะสมสัมมาทิฏฐิเอาไว้มากนะฉั้นถามว่าสัมมาทิฏฐิในยุคนี้เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่ า, านี่สัมมาทิฏฐินะนี่มิจฉาทิฏฐิอย่างนะเพราะว่า ไอ้ว decline, ความเห็นเนี่ยมันไม่มีใครผิดอ่ะว่าว่าโดยโดยโดยทั่วๆั่วไปนะโดยโดยธรรมดาทั่วทไปถ้าไม่มีอะไรมาตัดสินนะจะไม่มีใครผิดสักคนเดียวนะความเข้าใจของตัวเองเนี่ยถ้าความเห็นของชั้นถูกเนีย่ยนะคนอื่นผิดหมดละไม่รู้ว่าใครไม่คิดเหมือนชั้นคนนั้นไม่ถูกอะ่ะใช่ไหมมันต้องเหมือนชั้นจริงจะใช้ได้เว้นแต่ว่าเราเคารพ บ, บุคคล น, นั้นอยู่แล้ว <Ừ. S 2> ถ้าเขาคิดต่างจากเราจึงเราจึงยอมถ้าเท่าเท่ากันหรือต่ํากว่าเราเราจะไม่ ทำไมมันว่าอย่างนั้นทำไมมันคิดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่เหนือเราขึ้นไปนะเออเราก็พร้อมจะอนุวัตตามทิฏฐิของเขาไปแต่ถ้าเป็นคนเสมอกันหรือ ล, ล่างกับกันเนี่ยหมดสิทธิ์เลยที่ที่เราจะไปอนุวัติตามเขาเราก็เหมือนกันฉันใดคนอื่นก็ก็คล้ายๆกันนั่นแหละทีนี้นะอย่างในยุคนี้นะเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่านี่คือสัมมาทิฏฐินะนี่คือมิจฉาทิฏฐิ นั้นอย่างในยุคนี้ถ้ากล่าวให้ตรงเลยนะพอจะเป็นเครื่องวัดได้บ้างก็คือคําสอนในพระไตรปิฎ ก, ก น, นะถ้าถ้าตอนนี้นะพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาพอจะเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าหากว่าเราเอาอย่างอื่นเอาบุคคลอื่นเป็นเครื่องวัดเราก็ถือว่ามีสิ่งนั้นเป็นสารณะของเราเอานะว่ า, าถ้าโดยทิฏฐินะถ้ากล่าวทิฏฐิปับจะเห็นเรื่องสารณะคมเข้ามาทันทีว่าใครนับถืออะไรมากนับถือสิ่งใดว่าเป็นสารณะนะ ตรงนั้นแหละเป็นตัวตัดสินทิฐิของเขาตัวตัวตัดสินทิฐินะถ้าเขามีวัตถุใดเป็นสาระเขาจะถือว่าคำพูดของของคำนั้นเป็นที่ตั้งของทิฐิที่ถูกถ้าสมมติถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลเอกที่สุดเราก็จะระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนั้นไว้อย่างไรอันนะเราก็จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดทิฐิเนี่ยนะ ถามว่าพผ้ารหันทั้งหลายเนี่ยนะท่านยังอนุวัตตามทิฏฐิของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่เมื่อเป็นพผ้ารหันแล้วนะหรือว่าจะคือคือหมายว่าถึงถึงความเสรีทุกคนเลยนะผ้าผ้ารหันเนี่ยเสรีแล้วนะเสรีด้วยธรรมก็ท่านก็เสรีบุคคลท่านก็เสรีธรรมะเสรีคือโพธิปัจจะธรรมหรืออริยมรรคเนี่ยนะหรือนิพพานเนี่ยท่านก็เข้าถึงความที่ธรรมเสรีแล้วไม่มีตันหาอุปาทานเข้าไปฉาบแล้ว น, นะท่านเป็นคนที่ไม่เกาะเกี่ยวในกับทุกสิ่งเลยเนี่ยนะถามว่าท่านยังอนุวัตสตามพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าโอตรงกันข้ามเลยนะก็บอกไม่มีผู้ใดเคารพพระพุทธเจ้าเท่าเท่ากับพระอาหารหันต์พระอรหันต์เคารพพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยนะโดยที่สุดถ้าใครบอกแหมไปถึงขอถึงพระอรหันต์องค์นี้ว่าเป็นสารณะเนี่ยนะท่านไม่ยอมเนละท่านบอกว่าให้นับถืออย่างนางกุลทนเกษีเนี่ยนะไปโตวาทากับภาษารีบุตรใช่ไหมเสร็จแล้วขอถึงภาษารีบุตรเป็น สารณะภาษาริบุตรไม่ยอมบอกว่าให้นับถือพระพุทธเจ้าที่ท่านนับถือเป็นสารณะว่าเป็นสารณะเนี่ยนะพันเขาเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่ตั้งเลยแล้วถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งไปถามปัญหาพระอานนท์กับพระมหากัจจายนะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าแบบพระพุทธเจ้าเทศแต่เทศแบบโย่อๆเนะ เสร็จแล้วให้พระ อ, อนนท์หรือพระมหากัจยานะอธิบายทีว่าบทนี้เป็นเอา้าทําไมไม่ถามพระพุทธเจ้าถ้าต้นไม้นะท่านละเลยแก่นแล้วมาถามใบได้ยังไงมันั้นเถอะละเลยแก่นแล้วมาเอาใบาได้ยังไงอ่า น, นะเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้รู้ก็รู้จริงๆเห็นก็เห็นจริงๆริงอ่านะท่านให้ไปถามพระพุทธเจ้าเถอะท่านถืออนุวัตตามพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่อย่างพระมหากปิ น, นะนะท่านก็บอกว่าท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่ต้องสอนใครเนี่ยท่านมีความเห็นแบบนี้นะ คือคือไอคิดแบบนั้นไม่ได้คิดด้วยกุศล น, นะคิดด้วยมาหากิริยาถ้าบรรลุแล้วเราก็ไม่ต้องไปสอนคนอื่นแล้วจึงมากด้วยการเข้าพร ะ, ะสมาบัติทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามลูกศิษย์พระมหากปินนะอา้าวอาจารย์เธอสอนอะไรบารัางหรือเปล่าบอกไม่สอนเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่ากปินนะสอนเธอเนี่ยนะพระกปินนะก็จึงสอนแต่ว่าท่านก็เก่งจริงนะถ้าพระพุทธเจ้าบอกให้สอนนะถ้าบอกผู้ใดให้สอนแะถ้าท่านเหล่านั้นสอ น, สอนจริงๆจะได้ผล เช่นว่าพระหากปีนาเนี่ยเธอจงสอนเธอพระหากปีนาสอนทีบรรลุห้าร้อยยังไงถ้าถ้าพระพุทธเจ้าใช้ใครแล้วมันก็มันมันมีผลขนาดนั้นนะแต่ท่านเหล่านั้นก็ทำตามจริงๆเขาบอกว่าผู้ที่เป็นสาวกเวไนเนี่ยนะสาวกสอนเพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่บรรลุจากพระพุทธเจ้าต้องบรรลุจากพระสาวกอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยมีมีพวกเด็กเนี่ยมีขนมเยอะไปหมดเลยขนมเยอะแล้วก็อยู่อยู่วันหนึ่ง นะพระพุทธเจ้าพระสงค์ก็เดินบิณฑบาตไปนะเด็กไม่สนใจหรอกก็เห็นก็สวัสดีเฉยๆเนี่ยนะก็ยกมือไหว้ไรไหว้พระพุทธเจ้าอ่ะพอผ้าหาก็สปะอุ้มบาตรมานะเด็กเอาอาหารมาถวายหมดเลยค <c oughs> ือคือเรื่องอันนี้นะผู้การก็ใช้คําว่าเครดิตของใครก็ก็ของใครนะมันก็ลักษณะนั้นจริงๆ <c oughs> คําเดียวกันเนี่ยผู้นี้พูดเชื่อถ้าค น, นอื่นพูดไม่เอาเขาบอกว่าจงไปเธอเนี่ยนะถ้าคนอื่นบอกให้ไปให้ไปนะไม่ไปอ่ะ แต่ถ้าอีกคนหนึ่งบอกว่าไปเธออันนี้จะรีบไปเลยนะก็คนอื่นอนุ ญ, ญาตก็ไม่เท่ากับบางคนอนุ ญ, ญาตใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่คําพูดของจากอีกคนหนึ่งจะเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากกว่าอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฉนะนั้นคนที่เหล่านั้นนนั้นที่เราไปเกี่ยวข้องที่เป็นอุปนิสัยต่อชีวิตของเราเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิทีนี้ของเราในยุคนี้ก็ตอนนี้เรานับถือพระพุทธศาสนาก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นประธานเนี่ยนะเป็นเครื่องวัด ถ้าพระพุทธเจ้าเราอะไรเป็นเครื right? uh, alright, right ่องวัดก็คือเอาคําสอนที่ที่ปรากฏอยู่เพราะันผู้ที่บอกว่าตัวเองถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระก็เอาคําสอนนี่แหละเป็นเครื่องวัดเพรันให้ให้ทําปริญญาไว้เสมอว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสูตรใดและขัดกับสูตรใดให้เอาตรงนั้นเป็นเครื่องวัดนะถ้าไม่เอาเป็นตรงนั้นเป็นเครื่องวัดนะถ้าอะไรเราคิดมันจะดีหมดมันจะปกติมันอะไรนะฉันทาคติต่อตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหม ก็ขนาดเรากโกรธมันยังไม่ผิดเลยเอาคิดดูนะโดยที่สุดขนาดนั้นนะถ้าเราตําหนิใครสักคนด้วยโทสะนะเรายังไม่ผิดนะเราก็ยังใช้ได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าด้วยอนุภาพของฉันทาคติเนี่ยนะแต่ถ้าเอาคําสอนมาเป็นเครื่องวัดบอกเอกที่คุณคิดตําหนิคนอื่นนี่เป็นกุศลหรืออกุศลบอกอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษนั่นนะมีโทษเอ้เราจะเห็นด้วยตามพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะ แต่ถ้าเราไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะก็มันเลวจริงๆอะ่ะมันไม่เลวผมไม่ว่าหรอกบอกคุณมันผ่าซากเพราะมันซากนั่นแหละผมจึงต้องผ่าว่างั้นถ้ามันไม่ใช่ซากผมไม่ผ่าหรอกว่างั้นก็ยังยินดีที่จะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะแต่ถ้าเรามีสารณะเนี่ยนะเราก็จะอนุวัตตามสารณะถ้าอนุวัตตามสารณะเนี่ยทีนี้เราก็ต้องไม่ลืมว่าอย่างในยุคเนี้อสศรณะของเราเนี่ยก็ยังมีที่เคารพนะเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังมีที่ เคารพพระพุทธเจ้าเคารพอะไรเคารพโลกุตระธรรมนะพระพุทธเจ้าเคารพโลกุตระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะจบลงที่โลกุตระมีอยู่ครั้งหนึ่งภาษาริบุตรสอนชานุโสนีพราหมไว้นะสอนไม่ถึงโลกุตระเรียกว่าไม่ได้ประกาศอริยสัจตอนท้ายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับตําหนินะว่าว่าทำเหมือนกับทำงานไม่เสร็จอนะ่ะ ก็บอกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะพระสารีบุตรแม้จะพูดน้อยก็ต้องลงอริยสัจเอาไว้เนี่ยนะก็เพราะพระพุทธเจ้าตำหนิครั้งนั้นนะจาได้ไหนในชานุโสณีที่อาศัยพระราชาปล้นชาวบ้านอาศัยชาวบ้านปล้นพระราชาเนี่ยนะแล้วก็เขาก็อ้างว่าขับพระเจ้าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่ะนะเสร็จแล้วตอนหลังแกใกล้จะตายพระสารีบุตรก็ไปโปรดก็ถามว่านรกกับเดระชานไหนดีกว่ากันบอกเดระชานดีกว่าไหมเนระชานกับ เปรตไหนดีกว่าการบอกเปรตดีกว่าเปรตกับมนุษย์ไหนดีกว่าการมนุษย์ดีกว่ามนุษย์กับสวรรค์ชั้นจาตุมไหนดีกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมนี่ดีกว่าก็ไล่อย่างเงี้ยไปจนถึงว่าปรนิมิตแตวสวัสดีกับพรหมโลกไหนดีกว่าการบอกพรหมโลกภาษาบุตรท่านบอกพรหมโลกใช่ไหมบอกใช่เพราะนันขอให้แนะนําทางไปสู่พรหมโลกภาษาบุตรก็แนะนําข้อปฏิบัติเพื่อพรหมโลกแล้วท่านก็พอคือไม่ประกาศอริยสัตว์ในตอนท้ายนะตอนหลังก็ภาษาบุตรมาที่วัดพระองค์ก็ว่า ทำงานไม่จบนะนะเขาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยท่านพระสารีบุตรจะแสะดงน้อยก็ตามมากก็ตามจะต้องจบลงที่อริยสัจเนี่ยนะงั้นก็เลยเป็นหลักของขอ ง, ขอ ง, ของผู้ที่แสดงธรรมอยู่แล้วว่าจะต้องอประกาศจบลงที่โลกุตระที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ติดไม่คล่องไม่มีอาสวะเลยนะจบที่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าเป็น อตาเนี่ยนะก็น้อมจิตเพื่อความพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวล น, นั้นถ้าเรามีพระัตนะตรัยเป็นสารณะเนี่ยนะก็ทิฏฐิของเราก็หวังได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสิ่งที่เราคิดก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะมากขึ้นถ้าเราจะพูดเราก็พูดตามอันนั้นก็จะเป็นสัมมาวาจาเนี่ยนะทีนี้สัมมาสังกัปวายามะเป็นต้นก็จะเพียรพร้อมบริบูรณ์อย่างนี้เพราะเราคบกับบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็น ปัจจัยพนั้นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะนับว่าสําคัญมากต่อทิฐิของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะเฉพาะสาวกนะแต่เวน้นถ้าจะไม่เอาตามใครก็รอให้เป็นพระปัจเจก่อนสมัยที่ไม่มีศาสนาเลยนะสมัยนั้นก็อยากคิดอะไรก็เสรีภาพอานะแต่ว่าจะไปไหนก็เอานะของใครก็ของใครแล้วกันนี้สะสมไว้ไม่ดีก็อัติอัตโนนาโถแล้วกันนี่ก็ปรึกษาญาติญาติไว้นะถ้าพลัดผุ้ยังไงก็ให้เขาทําบุญหยาิน้ำมาให้บ้าง <telef akte> <Car k ota> นะช่วงเช้านี้สมควรแก่เวลาท่านกั้นท่านก็วิตกวันนี้ทุกเหนไหนี้ทุกขสมุทัยเนี่ยอันนี้ท่านวิตกมากหนนี้ทุกขนิโรธอ้าวท่านก็วิตอ้าวพระอรหันต์ก็ยังมีจิตนี่ เมื่อจิตต้องคิดอยู่แล้วเมื่อจิตดวงไหนเกิดวิตกเกิดร่วมด้วยท่านก็ตรึกวิตกแต่ว่าวิตกของท่านเป็นวิตกอริยสัจเป็นต้นวิตกวันนี้ศีลนี้สมาธินีิปัญญานี้วิมุตินี้สติปทานนี้คําสอนเป็นต้นเนี่ยนะท่านจะคิดคือสรุปว่าไม่มีอกุศลวิตกแทรกเลยเดีย๋ยนะคือคือไม่คิดอนนะอาอกุศลวิตกคือความคิดที่หนึ่งนะปรารถนาวัตถุกรรมด้วยอํานาจฉันทราคะอันนี้ท่านไม่มีก็แรกก่อนข้อสอง คิดเบียดเบียนคนอื่นหรือค er ิดให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีแล้วท่านคิดแบบตัวท่านเองจะต้องไม่เดือดร้อนต่อไปอันนี้อย่างหนึ่งแล้วท่านไม่คิดนําความเดือดร้อนไปให้คนอื่นเนี่ยอย่างหนึ่งอันนี้คือคือความคิดของผู้ที่เป็นบัณฑิตเป็นอย่างนั้นคือคิดเพื่อประโยชน์ตนคิดเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคิดเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคิดเพื่อประโยชน์โลกนี้คิดเพื่อประโยชน์โลกหน้าคิดเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนะท่านก็ก็ตรึกเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความตรึกอันนั้นเกิดจากสัมมาคิดถึ ที่บริบูรณ์แล้วเป็นปัจจัยแล้วก็สัมมาทิฏฐิอันนั้น ก, <ๆ> ก, ก็เกิดร่วมด้วยกับสัมมาสังกัปะเหล่านั้น